จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่21ครกฎาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาดูแล ทำนุมบำรุงรักษาจิตใจที่เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของชีวิตยิ่งกว่าร่างกายเพราะว่าความสุขความทุกข์ของใจนี้มีกำลังมีอิทธิพลที่มากกว่าของร่างกาย หลายร้อยเท่าด้วยกันถ้ามีความสุขใจแล้วแม้จะมีความทุกข์กายก็จะไม่เดือดร้อนไม่เป็นปาหาอะไรแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีความสุขกใจแต่มีความทุขใจความสุขกายก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า มโนปุบังกมาธ ร, ร ม, มามาโนมายามาโนเศรษฐาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นที่ตั้งของเหตุและผลของทั้งความสุขและความทุกข์ใจเป็นผู้ที่ผลิตความสุขและใจเป็นผู้ผลิตความทุกข์ขึ้นอยู่ว่าใจจะฉลาดหรือโง่ ถ้าใจฉลาดก็จะผลิตแต่ความสุขถ้าใจงโง่ก็จะผลิตแต่ความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์ใจตอนไหนก็แสดงว่าตอนนั้นเรากำลังง่ออยู่ถ้าเรามีความสุขก็แสดงว่าเราฉลาดแต่ความสุขนี้ก็ต้องระวังดูว่าเป็นความสุขแทหรือสุขกลอมถ้าเป็นความสุขเช่น จากการได้ดื่มสุรายาเมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความสุขแท้เป็นความสุขปลอมเพราะจะนำความทุกข์ตามมาต่อไปเวลาที่ไม่ได้ดื่มสุราก็จะเกิดความทุกข์ตามมาความสุขแท้นี้เกิดจากการกระทำอย่างไรเช่นการทำบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นความสุขแท้เพราะเวลาทำบุญแล้ว ใ, ใจจะมีความสุข มีความสบายใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาถึงแม้ว่าอยากจะทำบุญข่าวหน้าแต่ไม่ได้ทำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใจจะไม่ทุกข์กับการที่ไม่ได้ทำบุญแต่ถ้าเราได้ความสุขจากการกระทำทางตาหูจมูกลิ้นกายตามความอยากเช่นอยากดูกหนังอยากฟังเพลงอยากไปเที่ยวอยากจะ ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าชุดใหม่รองเท้าคู่ใหม่ทั้งๆ ท, ที่มีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้มีรองเท้าอยู่เต็มตู้ความสุขที่ได้จากการซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้ามานั้นเป็นความสุขกลองเพราะว่าจะสุขเดียวๆเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจ หลังจากนั้นเวลาผ่านไปไม่นานพอเกิดความอยากได้ของใหม่ขึ้นมาความสุขที่ได้จากการไปซื้อของเก่ามานั้นของที่ผ่านมานั้นก็จะหายไปหมดแล้วถ้าไม่ได้ซื้อของใหม่ตามความอยากก็จะเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจ ดังนั้นขอให้เราเระวัตระวังความสุขปลอมเพราะว่าความสุขปลอมนี่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเบ็ดก็คือความทุกข์ที่จะเกี่ยวใจเอาไว้ถ้าเราไปหลงกับการหาความสุขที่เป็นความสุขปลอมที่เป็นความที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ความุกที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบดนี้ก็มีอยู่สีอย่างคือเงินลาบหมายถึงข้าวของเงินทองยศหมายถึงตำแหน่งต่างๆสรรเสริญนะการยกย่องเยินย อ, ย อ, ยอและ4ีรูปเสียงกลิ่นรสผธ ภ, ภพชนิดต่างๆที่เราแสวงหากันอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา จนถึงเวลาละ่ะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นเหมือนยาเสพติดที่ไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงแต่จะให้ความทุกข์ทรมานใจเวลาที่อยากได้สิ่งเหล่านี้แล้วไม่ได้ดังใจหรือสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเวลาเรามีเงินเรามีความสุขเรามีดี อ, อกดีใจ พอเงินหมดเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเวลาเรามีตำแหน่งสูงๆเราก็ดี อ, อกดีใจแต่พอเราพ้นจากตำแหน่งไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจเวลามีคนสรรเสริญเราก็ดี อ, อกดีใจแต่เวลาถูกคนเข้าดา่าหรือคนเข้าไม่สรรเสริญก็เกิดความเสียใจ เวลาที่เราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏะชนิดต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงรับประทานขนมน ม, นมเนยดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆเราก็มีความสุขแต่พอไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาและต้องเกิดหนะ้ๆเพราะว่าร่างกายของเราสักวันหนึ่งมันจะไม่สามารถทําตามความอยากของเราได้ อยากจะดูก็ตาก็ไม่ดีอยากจะฟังหูก็ไม่ดีอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะรับประทานหมอก็ห้ามไม่ให้ดื่มไม่ให้รับประทานเพราะจะเป็นเบาหวานจะเป็นโรคไขมันอุดตันจะมีโรคภัยต่างๆตามมาตอนนั้นถ้าไม่ได้ทําตามความอยากก็จะมีความทุกข์ทรมานใจ นี่คือความสุขปองความสุขที่ไม่ได้มาทำให้ใจเรามีความสุขแต่กลับจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราอย่างแสนสาหัส ต, ต่อไปเราจึงต้องพยายามอย่ า, ยาทาตามความอยากเหล่านี้อขอให้เรามีพอเพียงต่อการอยู่ก็พอแล้วเช่นเงินทองไม่ต้องร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐีขอให้มีพอมีพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนดูแลร่างกายของเราไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตายไปก็พอแล้วเอาเวลามาทำความสุขให้กับใจดีกว่าเช่นเอามาทำบุญนะมีเงินเหลือมากเกินไปก็เอามาทำบุญ ทำบุญแล้วจะเกิดความสุขใจเอ็งเอิบใจแล้วก็จะไม่วุ่นวายใจเวลาไม่มีเงินจะทําบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับเวลาไม่มีเงินไปเที่ยวอย่างนี้จะเดือดร้อนการใช้เงินการหาความสุขต้องหาความสุขที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายก็คือการเอามาทําบุญนั่นเอง นี่คือวิธีหนึ่งสำหรับการสำหรับการสร้างความสุขให้กับใจเมื่อเราได้ทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีความเมตตาจะมีความโลภน้อยลงไปเพราะเราจะไม่อยากได้เงินมากเกินไปถ้าได้มามากเกินไปเราก็จะไม่เก็บเอาไว้อยู่ดีเราก็จะเอาไปให้ผู้อื่นต่อ ดังนั้นเราจะไม่มีความโลภมากเมื่อเราไม่มีความโลภมากและมีความเมตตาเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายเพราะเราจะไม่ชอบเบียดเบียนผูน้เราจะไม่อยากโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากเขาเพราะว่าเราไม่มีความโลภอยากได้ผลประโยชน์จากเขาโดยวิธีนี้ถ้าเราจะได้ เราก็จะเอามาด้วยวิธีที่สุดเจริญไม่โกหกหลอกลวงพูดไปตามความจริงเขาซื้อเขาถามว่าของซื้อมาเท่าไหร่ก็บอกเขาไปขายราคาเท่าไหร่ก็บอกเขาไปเขาอยากจะซื้อเขาก็ซื้อเองเขาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเราไม่เดือดร้อนเพราะเราพอมีพอกินอยู่แล้วเราไม่ได้อยากร่ำอยากรวย แต่ถ้าเราอยากร่ำอยากรวยต่อให้เราขายมาได้มากน้อยเพียงไรโกหกมามากน้อยเพียงไรก็จะหยุดขายไม่ได้หยุดโกหกไม่ได้เพราะอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นความอยากในเงินทองนี้มันไม่หดตัวลงแต่มันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเคยมีเคยได้เงินพันก็อยากจะได้เงินหมื่ พอได้เงินหมื่นก็อยากจะได้เงินแสนได้เงินแสนก็อยากจะได้เงินล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านร้อยล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีตายไปก็กลายเป็นเปรตไปเพราะว่าทำบาปด้วยความโลภนี่คือเหตุที่จะทำให้เป็นเปรตไม่ใช่คนอื่นเขาสาบแช่งเราคนอื่นไม่สามารถสาบแช่งให้เราเป็นเปรต เป็นอะไรได้แต่การกระทําของเรานี่แหละที่จะเป็นตัวสาบแช่งเราเป็นตัวที่จะทําให้เราเป็นเปรตเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ทําบาปเราไม่ทําผิดศีลด้วยความโลภต่อให้พระพุทธเจ้ามาสาบแช่งเราให้เป็นเปรตเราก็ไม่เป็นเพราะการทําสาบแช่งของใครก็ตามไม่ใช่เป็นเหตุ ที่จะทำให้เราเป็นเปรตหรือเป็นเทวดาแต่อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทำบุญแล้วเรารักษาศีลได้ไม่ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาให้พรเราให้เราไปเป็นเทวดาเพราะเราเป็นอยู่แล้วเป็นด้วยเหตุที่เรากระทำนี้เองพระพุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยเศษเป่าให พุทธบอยสัตว์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีแต่สอนวิธีให้เขานำเอาไปปฏิบัติถ้าเขาปฏิบัติตามได้เขาก็จะเป็นตามที่เขาปรารถนาถ้าเขาอยากเป็นเทพก็ให้ทาบุญรักษาศีลถ้าอยากจะเป็นพรหมก็ให้ทาสมาธิเพิ่มขึ้นมาอีกข้อน่ถ้าอยากจะเป็นพระอริยะเจ้า เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็ต้องทําเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือต้องเจริญวิปัสสนาต้องเจริญปัญญาถึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอริยะเจ้าได้ไม่มีใครสามารถทําแทนเราได้ไม่มีใครสามารถเศษเป่าให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ เราต้องเป็นผู้เสกผู้เป่าตัวเราเองด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพธธุทธเจ้านังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องขอให้ทำไปเรื่อยๆเถิดแล้วจิตใจของเราจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับตอนนี้เราเป็นมนุษย์พอเราได้ทำบุญให้ทานเราก็เป็นเทวดาพอเราได้นั่งสมาธิ เราก็จะได้เป็นพรหมแล้วพอเราได้เจริญวิปัสนาเจริญปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดก็ต้องมีดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างจะเราจะต้องจากเขาไปทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเรา เราก็ต้องจากเขาไปนี่คือปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เสียหกเสียใจเวลาสูญเสียสิ่งต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือร่างกายที่เรารักที่เราหวงแหนอย่างยิ่งจะไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเสียดาย เพราะความจริงมันจะบอกเราว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่ยึดติดจะไม่ได้อยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเรารู้ว่าเป็นเหมือนของยืมเขามาสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องมาเอาคืนไปเช่นตำแหน่งต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนของยืมเขามาเราทำงานเขาก็ให้ตำแหน่งเรา แต่พอเราออกจากงานตำแหน่งนั้นเขาก็เอาคืนไปหรือยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่เขาตั้งให้ให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเป็นท่านผู้หญิงเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นพอร่างกายนี้ตายไปมันก็เป็นของคนอื่นไป เราเอาติดตัวเราไปไม่ได้แต่เราเอาเทพไปกับเราได้เอาพรมไปกับเราได้เราเอาโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเอาอารหันไปกับเราได้นี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เรามาทำนุกบำรุงดูแลรักษาใจของเราเพราะใจของเราเป็นผู้ที่จะไปรับผลต่างๆนั่นเอง ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะต้องไปตามบุญตามกรรมดังที่พร้เจ้าทรงตรัสไว้ว่าใจทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถึงแม้ว่าจะทำชั่วทำผิดกฎหมายทำบาปแล้วไม่ได้รับโทษมีการซิกแซกมีการ วิ่งเต้นทำให้ลิ่นหลุจากคดีความต่างๆไม่ต้องติดคุกก็ตามแต่ตายไปต้องไปติดคุกในอบายเพราะนั้นไม่ใช่เป็นที่ที่จะซื้อซื้อกันได้พวกพวกพี่พากษาในในอบายนี้เขาไม่รับเงินนับทองจากใครทั้งนั้นเขาพิพากษาไปตามเนื้อผ้าตามความจริงถ้าทำบาปเพราะความโลภเขาก็ส่งให้ไปเป็นเปร ถ้าทำบาปเพราะความกลัวเขาก็ส่งให้ไปเป็นอสูรกายถ้าทำบาปเพราะความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นเขาก็จะส่งไปนรกถ้าทำบาปเพราะไม่รู้คิดว่าไม่เป็นไรก็จะส่งไปเป็นเดรัจฉานนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาด้วยวิธีการต่างๆพวกเดรัจฉานนี่เขา ทำบาปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบาปเขาต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อที่จะยังชีพของเขาเขาก็เป็นเดรัจฉานเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่รู้ว่าทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นบาปเช่นค่าเป็ดค้าไก่ค่าเป็ดค่าไก่ล้เอาไปขายที่ตลาดฆ้าปลาฆ่านกค่าสัตว์ต่างๆเพื่อเอามาเป็นรายได้ ออกมาอย่างชีพของตนอย่างนี้ตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สําคัญเพราะนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่กับการกระทําหรือไม่กระทําถ้าไม่เชื่อแต่ไม่กระทําก็ไม่เป็นก็ไม่ไปถ้าเชื่อแล้วยังกระทําอยู่ก็ยังไปอยู่เหมืนแต่คนที่เชื่อแล้วมักจะไม่กล้าทํากัน มีแต่คนที่ไม่เชื่อที่กล้าทำํำดังนั้นถ้าจะเชื่ออะไรก็ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเถอะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วด้วยพระองค์เองไม่สงสัยว่ามีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบุญผลของบาปมีจริงให้เชื่อพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นด้วยกับตาเราก็ตาม เหมือนกับเราให้เชื่อหมอหมอให้ยามาว่ารับประทานยานี้แล้วจะหายจากโรคถ้าเราไม่เชื่อหมอเราไม่รับประทานเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาโรคของเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเรารับประทานเข้าไปถ้าไม่หายเราก็จะได้รู้ว่ายานี้รักษาไม่ได้จริงๆแต่ถ้ารับประทานแล้วหาย เราก็จะได้สบายไปฉนันใดการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนั้นเชื่อแล้วเราจะไม่ผิดหวังเพราะว่ามีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้ามาเป็นจำนวนมากแล้วที่ไม่ผิดหวังที่ได้กับได้พบกับความสมหวังได้พบกับความสุขได้หลุดพ้นจากการต้องไปเกิดในอบายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แม้จะเกิดในภพของเทวดาหรือของพรมหรือของมนุษย์ที่ดีแสนดีมันก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะว่ามีความไม่เที่ยงนั่นเองยังต้องเสื่อมยังต้องกลับยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสู้ไม่กลับมาเกิดเลยจะดีกว่าเพราะผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่พบกับความทุกข์ถ้าตราบใดยังกลับมาเกิด แม้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีรูปร่างสวยงามได้เป็นนางงามจักรวาลได้เป็นดาราภาพยนตร์มีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่มันก็ต้องเสื่อมหมดไปในที่สุดเวลาเสื่อมก็จะต้องทุกขทรมานใจเสีย อ, อกเสียใจดังนั้นไม่ควรจะกลับมาเกิดจะดีที่สุดถ้าทําได้ การไม่กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าเราสูญหายไปไหนเหมือนกับเราไม่ได้ไปกลับไปทำงานที่บริษัทเราก็อยู่ที่บ้านได้เรามีความสุขอยู่ที่บ้านเราไม่มีความจำเป็นจะต้องหาเงินหาต่อเพราะเราไม่หิวเราไม่อยากได้อะไรเงินทองที่เรามีอยู่ก็พอต่อการดูแลชีวิตของเราเรื่องอะไรเราจะต้องไปดิ้นรนทำงานให้เหนื่อยปปะปา นี่คือคนฉลาดเมื่อเขามีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้วเขาก็ไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกอีกต่อไปถ้าเรามีเงินพอแล้วเราก็ลาออกจากงานดีกว่าอยู่บ้านสบายกินนอนอย่างเดียวเรื่องอะไรที่จะต้องไปเหน็ดไปเหนื่อยกับการทำงานนี่ก็คือใจของผู้ที่ทำบุญอย่างเต็มที่แล้ว ได้ละบาปอย่างเต็มที่แล้วได้ชำระใจจนสะอาดบรยสุดแล้วไม่มีความโลภความอยากได้อะไรอีกแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเกิดไปหาร่างกายเพื่อที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ใจของเรายังมีความโลภยังมีความอยากยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญ ยังอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ต่อให้พอร่างกายร่างนี้ตายไปใจที่ยังมีความอยากอยู่ก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือต่อไปแล้วก็ต้องมาทุกข์อย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ทุกกับเรื่องร่างกายทุกกับเรื่องการหาเงินหาทองหาความสุขต่างๆ แล้วก็มาทุก์กับการสูญเสียความสุขต่างๆไปสูญเสียร่างกายไปแต่ก็ไม่เข็ดพอตายไปก็อยากจะไปหาใหม่นี่คือประวัติของพวกเราเป็นอย่างนี้การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้มีนับจำนวนไม่ท่วนมากกว่าแสนล้านชาติขึ้นไปน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะสามารถยุติการเยือนว่ายตายเกิดได้ภายในชาตินี้เลยเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นาทางนั่นเองถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนต่อให้พวกเราปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะเราจะหลงทางเราจะปฏิบัติผิดทางกันทางนี้เป็นทางที่ลึกลับมากสําหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านมาก่อนแต่ถ้ามีผู้ที่ผ่านมาแล้วก็จะไม่ยากเลยเพราะเขาจะบอกก็จะติด ป, ป้ายปักไว้ตามทางตลอดเวลา เหมือนกับเราขับรถยนต์เดี๋ยวนี้สมัยนี้จะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดเวลาเวลาก่อนจะถึงทางแยกเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าตรงไปจะไปไปถึงไหนถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะไปถึงไหนเราก็จะไม่หลงทางเพราะมีป้ายคอยบอกทางอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราขับรถยนต์โดยที่ไม่มีป้ายบอกทางเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปถึงที่ไหน ขับตรงไปจะไปถึงที่ไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะไปถึงที่ไหนเราจะไม่รู้ฉันใดเวลาไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการขับรถที่ไม่มีป้ายบอกทางเราก็จะหลงทางกันแต่ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่หลงทางเพราะจะมีป้ายปักบอกเราตลอดทางแล้วว่าให้ทําบุญนะให้ละ บ, บาป ให้ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสามป้ายใหญ่ๆของต่อพุทธศาสนาขอให้ทําตามป้ายที่บอกเถอะทุกครั้งที่ได้เงินมาจะเอาเงินไปเที่ยวก็ให้นึกถึงป้ายที่บอกว่าไปทางนี้นะไปทางทําบุญอย่าไปเที่ยวไปเที่ยวนั้นไปผิดทางจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทําบุญ เอาเงินที่จะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาทาบุญใช้ของเก่าไปก่อนใช้ให้มันขาดไปก่อนใช้ไม่ได้ก่อนแล้วค่อยซื้อของใหม่มาคนเราไม่ได้วิเศษอยู่ที่เสื้อผ้าชุดใหม่หรือเก่าหรอกอยู่ที่ใจว่าเป็นใจบุญหรือใจบาปใจโลกหรือไม่โลกคนใจโลกกับคนใจไม่โลคนี่ต่างกันอยู่กับคนใจโลกแล้วนี่เหนื่อยเพราะเขาจะแย่งของทุกอย่าง ไปเสมออยู่กับคนไม่โลภนี้เขาไม่แย่เราอยากจะได้อะไรเขาไฟเขียวเขาชิดซ้ายให้เราไปก่อนเลยนี่คือความดีของคนไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าความสวยงามของคนไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าดังนั้นอย่าไปหลงกับการแต่ ง, ตงเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งกายอะไรต่างๆให้มันมากจนเกินไปทำพอสมควรตามน้ำอาบท่าให้สะอาด วิภาวีผมให้เรียบร้อยก็พอแล้วไม่ต้องใช้เครื่องสมหางก็ได้คนสวยที่แท้จริงสวยที่ใจสวยที่ไม่โลกสวยที่ไม่ทำบาปสวยที่ใจบุญสวยที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเวืเแผ่สวยที่มีความเรียบร้อยมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ใช่เป็นลิงเป็นเหมือนลิง นี่ไม่ใช่เป็นความสวยของคนนะขอให้เราคิดอย่างนี้ให้เราคอยสังเกต ด, ดูป้างทุกครั้งเวลาเรามาถึงทางแยกคือทุกเวลาที่เรากําลังจะทําอะไรถามตัวเราเองว่าเรากําลังไปทําทางที่พระ เ, เจ้าบอกให้ไปหรือป่าไปทําบุญหรือเปล่าไปทําบาปหรือหรือละบาปไปชาระใจหรือไปทําให้ใจมีความสกปรกมากขึ้นไป นี่คือการปฏิบัติเรื่องของจิตใจเราต้องใช้สติปัญญาทุกเวลาทุกครั้งที่เราจะทำอะไรอย่าทำตามอารมณ์เพราะอารมณ์ของเรานี่เป็นอารมณ์ของคนมืนบอดของคนโง่จะทำสวนทางกับคำสอนของพระพระเจ้าเสมอเพราะเกิดอารมณ์ก็อยากจะดื่มสุราขึ้นมาก็ดื่มเลย ไม่เคยคิดก่อนว่านี่กำลังไปถูกทางหรือเปล่าพออยากจะไปเที่ยวก็ไปเลยพออยากจะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ซื้อเลยอย่างนี้เป็นการกระทําของคนโง่ไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมาต่อไปว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเราต้องใช้สติใช้ปัญญาคอยดูความคิดของเราอยู่เสมอ ทุกครัที่เราจะทำอะไรให้ดูก่อนให้พิจารณาก่อนว่าไปตามทางที่พระเจ้าทรงสอนทรงปักป้ายไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ไปทางที่พระเจ้าทรงสอนก็อย่าไปเล่ารับรองได้ว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วภายในไม่เกินเจ็ดปีนี้เป็นอย่างมาก บางท่านพระเจ้าทรงตรัสว่าไปได้ภายในเจ็ดวันบางท่านก็ไปเจดเดือนบางท่านก็ไปเจ็ดปีขึ้นอยู่กับสติปัญญาว่าคอยควบคุมดูแลความคิดการกระทําของตนได้มากน้อยเพียงใดถ้าควบคุมได้ตลอดเวลาก็เหมือนนักเรียนที่ทำข้อสอบถูกทุกข้อ<ม><ม>ก็จะได้คะแนนเต็มได้ร้อยไปเลย ถ้าควบคุมไม่ได้ตลอดเวลาควบคุมได้เพียงครึ่งเดียวก็จะรับข้อสอบได้เพียงครึ่งเดียวก็จะสอบผ่านแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าควบคุมไม่ได้เลยหรือได้น้อยมากก็จะทำข้อสอบต่างๆผิดไปหมดก็จะไม่สามารถ เ, าเรียนจบวิชานั้นได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การคอยมีความระมัดระวังต่อการกระทาของเรา ทางกายทางวาจาและทางใจของเราว่าทุกครั้งที่เราพูดเราพูดด้วยด้วยบุญหรือพูดด้วยบาปเราทำเราทำบุญหรือทำบาปเราคิดคิดด้วยความโลภหรือคิดด้วยความไม่โลภคิดด้วยความโกรธหรือคิดด้วยความไม่โกรธคิดด้วยความหลงหรือคิดด้วยความไม่หลงนี่คืองานที่เราต้องทำคอยดูสามตัวนี้ ดูการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจว่าไปตามทางไปตามป้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบอกให้ไปหรือไม่ไปทําบุญละบาปชําระใจให้สะอาดบอยสุดหรือไม่ให้ดูตรงนี้และรับรองได้ว่าการดาเนินชีวิตของเรานั้นจะนำไปสู่แต่ความสุขและความเจริญไปสู่การสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลาย ไปสู่การสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำนุกบำรุงดูแลรักษาใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไาวเตียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบันเพลงกันในวันนี้จงเป็นเอกเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแรางปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ